แต่จะให้เป็นสุขแท้ไม่มีทุกข์ก็ต้องปฏิบัติต่อสุขนั้นให้ถูกบรรยายเมื่อวันที่ส2องมกราคมพุทธศักราช2542สบืบเนื่องจากที่พูดเป็นทางทิ่แล้วยกยำนิดหนึ่งตรงด้วยเรื่องเวทนาที่ว่าสุขทุกข์และเฉย นี่ได้พูดไปแล้วว่าเวทนานเนี่ยท่านถือว่าเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วนถือสุขทุกข์เฉยๆมันเป็นผลเราได้รับเราก็รู้สึกไปมันก็เป็นธรรมดาเข้ามาอย่างนั้นและจุดสำคัญก็คือจะมีปฏิกิริยาอย่างไรตรงเนี้ยเพราะนั้นในหลักปฏิจจสมบัติเนี่ย ตรงนี้จะเป็นหัวต่อระหว่างเวทนาแล้วอะไรจะมาต่อถ้าไปตามกระบวนการปฏิจจสมบูรณ์เวทนาแล้วก็ตัณหาเวทนาปัจจญาตัณหาคือถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันก็ตัดวงจรตรงนี้ไม่ได้นก็เกิดปฏิกิริยาอย่างที่พูดไปแล้วว่า ถ้าเวทนาเป็นสุขก็จะชอบใจหรือภาษาเก่าเรียกว่ายินดีนี้ถ้าว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์ก็จะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบใจเรียกว่ายินร้ายอันนี้เรียกว่าตัณหาเป็นตัณหาฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนี้ถ้าเรารู้ทันก็จะวยเวทนา โดยไม่ถูกครอบงำการสวยเวทนานี้เป็นเรื่องตามธรรมชาติเป็นเรื่องวิบากไม่ใช่ไปตัดเวทนาเราไม่มีหน้าที่ไปตัดเวทนาเวทนามันเป็นผลเก็บความรู้สึกที่เกิดขึ้นจุดสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่า ทำไงจะไม่ถูกมันครอบงำแล้วก็เกิดปฏิกิริยาที่เป็นยินดียินร้ายพออวิชชาเข้ามาเป็นพื้นฐานอยู่ข้างในปัญญาไม่มาตัณหาก็จะต่อตรงนี้นั้นเวทนาก็จะมาเป็นตัวที่จะทำให้อวิชชาเนี่ยมันทำงานต่อมาเกิดตัณหานี่ถ้าไม่มี วิชาก็ปัญญามาวงจรก็ขาดแต่ข้อที่ต้องการเน้นที่นี้ก็คือไว้พให้รู้ว่าเวทนานั้นบุคคลมีสิทธิทจะโตบวยเป็นเรื่องความรู้สึกตามธรรมชาติเอาละครับก็แปนว่าไม่ให้ตอบไปที่ตัณหาทีนี้เรื่องเวทนาสุขทุก คนเราก็ต้องการความสุขแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสวยสุขท้าทีปฏิบัติตเรื่องความสุขนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าเทวทหสูตรอยู่ในพระใจปิฎกเล่มสิบสี่พระพุทธเจ้าสัสถึงวิธีปฏิบัติต่อสุขโดยเทียบเคียงกับเรื่องของ ลัทธินิครนนิครนนั้นเขาเป็นลัทธิบำเพ็ญตะบะคือทรมานตนเองมองจางแง่พุทธศาสนาการบำเพ็ญตะบะนี้ก็เป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนซึ่งอาจจะไม่มีทุกข์อยู่อย่างน้อยไม่มีทุกข์นั้นท่านนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึง ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องความสุขซึ่งมีข้อสําคัญสรุปได้เป็นสี่ข้อหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็เราถ้าไม่มีทุกข์ก็จะไปเอาทุกข์มาทับถมตนสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำถ้าสุขนั้นมาชอบทำก็ไม่ต้องละทิ้งมัน สามแม้สุขที่ชอบทมก็ไม่ติดเพลินนะแล้วติดเพลินก็โมเมาสยบตกเป็นทาตของมันนะสุขที่ชอบทมก็ไม่ติดไม่สยบแล้วก็สี่สี่นี้ก็เป็นเนื้อความถึงการปฏิบัติของพระสูตรนั้นก็คือว่า เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประนีตขึ้นไปเพราะว่าความสุขนั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่นั้นยังมีสุขที่ประนีิ่งขึ้นไปอีกนั้นก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประนีจ่งขึ้นไปถึงถ้ามองในแง่ความสุขนี้สุขที่สูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองโดยย่ออันนี้เป็นความโดยย่อนะ ทีนี้ถ้าพูดถึงหลักการพุทธศาสนาที่กว้างออกไปจากพระ ส, สูตรนี้ก็อาจจะพูดได้อีกผ่าเมื่อมีสุขที่ประณีจนถึงสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็มีแต่จะไปแผ่ความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วไปหมดที่เข้ากับหลักที่ว่าจรัถาภิกเวจาริกังผู้ชนะใจยะผู้ชนะสุ ข, ขายยะมาให้จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พระหูชน ซึ่งคตินี้ก็เป็นจุดหมายทั่วไปของพุทธศาสนาว่าเมื่อบุคคลนั้นก็ไม่มีอะไรจ ง, ต, งต้องทำเพื่อตอนเองอีกแล้วไม่ต้องหาความสุขอีกแล้วมีความสุขไปคุณสมบัติภายในต่อแต่นั้นก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อผู้อื่นทั้งหมดถ้าเติมเพ่านี้เข้าไปก็เท่ากับห้า แต่ฉะนั้นจะต้องเข้าใจทัศนคติกับพุทธศาสนาเรื่องสุขให้ดีเพราะว่าบางท่านสอนเนี่ยจะไปเน้นเรื่องทุกข์มาก <Yeah. S 1> แต่ก็สุขก็เสี่ยงนะเพราะสุขเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ในตัวด้วย <Yeah. S 1> เอ๊ะจะเป็นไงสุขเป็นทุกข์ในตัวน <Yeah. S 1> แต่ว่าเอาในแง่สุขซะก่อนในพระสูตรอื่นอีกพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสให้เห็นถึงว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายระดับ ทรองกลรัดถึงเรื่องของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยความเข้าใจในเรื่องความสุขนี้ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นไปตามระดับการพัฒนาของจิตใจอย่างเด็กที่เกิดมาใหม่ๆ เ, เล่นโมดคูดของตัวเองก็สนุกใช่ไมก็เป็นความสุขของเด็กนั้น พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เล่นพวกตุ๊กตาเครื่องเล่นต่าง ๆ, ยงๆเยอะแยะไปหมดแ ม, แม้แต่เล่นกองทรายอะไรแต่และก็สนุกมากมีความสุขทีนี้เทียบกันในระหว่างคนที่พัฒนาแม้แต่ในระดับชาวบ้านคนที่โตขึ้นมาเห็นเด็กเล่นสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆเหล่านั้น บางทีผู้ใหญ่ที่ไปเห็นก็ขำเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีความยึดติดในสิ่งที่เล่นนั้นเป็นของจริงจังมากบางทีผู้ใหญ่ก็ไปแกล้งยอกเด็กก็ร้องให้คือว่าเด็กเนี่ยจะรักเห็นในสิ่งที่ตัวเล่นเนี่ยเป็นจริงเป็นจังอย่างตุ๊กตาเนี่ยเขาจะยึดถือเหมือนมีชีวิตใช่ไหเพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นความสุขของเด็กตนซื่อผู้ใหญ่ไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่ต่อไปก็เป็นคนโตขึ้นก็หนุ่มสาวก็จะมีความสุขในเรื่องของทางเพศเกิดความรักความอะไรต่างๆทีนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์บุตรชนทั่วไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสมาถึงพระองค์เองพระองค์ก็เคยบุ่นวาย หลงบอกมุนกับความสุขแบบนั้นพระองค์ก็จัดว่าพระองค์ถ้าหากไม่ได้ทรงเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าพระองค์ก็จะยืนยันรับรองไม่ได้ว่าพระองค์จะไม่เวียนกลับมาหากามสุขอีกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพานั้นเรียกว่ากามสุขซึ่งเป็นสุขของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปทนี้พระพุทธเจ้าเนี่ย ก็เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่านั้นเพราะเหตุที่เข้าถึงสุขที่ประณีตนั้นก็จึงไม่เวียนกลับมาหาการมสุขเมื่อมองเห็นคนทั่วไปสเสวยการมสุขกันอยู่ก็จะคล้ายๆกับที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กเล่นเครื่องเล่นอะไรต่างๆเลยถ้าจะเปรียบนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของท่าทีต่อความสุขแปลว่าเรื่องความสุขก็มีแง่มุมที่ต้องพูดหลายอย่างอย่างในแง่ที่ว่าความสุขที่ต้องหากับความสุขที่ไม่ต้องหาใช่ไมอย่างความสุขของคนทั่วไปนี่จะเป็นความสุขประเภทที่ต้องหานี่ถ้าเป็นผู้ที่พัฒนา ไปถึงความสุขประนีตขึ้นก็จะมีความสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่กลายเป็นคุณสมบัติของตัวเองของจิตใจเมื่อมีเป็นประจำมันก็ไม่ต้องหา ใ, หในคนที่หาความสุขก็เหมือนกับบอกฟ้องออกมาว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขอยู่ในตัวความสุขนั้นขึ้นต่อสิ่งภายนอกก็ต้องหา ในความสุขที่ต้องหานเนี่ยเดว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามิสสุขความสุขที่อาศัยอามิตรขึ้นต่อวัตถุเป็นต้นขึ้นต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ถ้าเป็นนิรามิสุขก็เป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรเป็นสุขภายในแม้แต่นิรามิสุขก็ยังมีอีกต่างกันระดับอย่างสุขในระดับสมาธิซึ่งสุขทางด้านจิต เรื่งยังอาศัยการปรุงแต่งของจิตอยู่นสุขนิรามิตร์เข้าฌานเข้าสมาธิก็ถือว่าไปอยู่ในระดับปรุงแต่งแล้วก็มีสุขเหนือปรุงแต่งคือสุขที่เป็นเรื่องของปัญญาที่สว่างแจ้งโลง่งก็มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งว่า คนมีสุขภาพดีการมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพไม่มีโรคเป็นความสุขหรือไม่ใ <Yeah. S 1> น, นถ้าเราเอาทางร่างกายมาเทียบคนแสวงหาความสุขอย่างไรก็ตามถ้าร่างกายยังมีโรคอยู่ไอ <Yeah. S 1> ความสุขทางกายนั้นก็ไม่สมบูรณ์ <Yeah. S 1> ใช่ไห ภาวะที่ไม่มีโรคเลยร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเป็นความสุขพื้นฐานที่สาคัญที่สุดนี้เมื่อคุณมีความสุขอันนี้แล้วเนี่ยจะเสะบยความสุขอย่างอื่นหรือไม่ก็แล้วแต่พอใจแต่ว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก็คือความไม่มีโรคก็คือไม่มีทุกข์กายจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังมีโรคของจิตอยู่ไปหาความสุขยังไงก็ตามไอ้ตัว นั่นกว่าเสียดแทงหรือตัวกวนข้างในก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานิดความสุขที่สำคัญก็คือภาวะไร้ทุกอ น, นี้จะเรียกไรโรคไรทุกอะไรก็ได้ภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่เหมือนกับร่างกายเปรียบกับร่างกายก็เหมือนกับมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเป็นสภาพจิตของผู้ที่บรรลุนิพพานเพราะฉะนั้น คำศัพท์หนึ่งที่ใช้เรียกนิพพานก็คือคำว่าความไม่มีโรคหมายถึงไม่มีโรคทางด้านจิตใจที่เรามาพูดเป็นภาษาไทยบ่อยๆว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นลาภอันสูงสุดเนี่ยความจริงเนี่ย ในตัวพุทธพจน์ทแท้ความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงโรคทางกายนไม่ได้เอาแค่นั้นหรอกแต่ว่าตัวบาลีที่เราจำมันก็ผิดเลยคือมันไม่ใช่อโรคยาปรมาลาภาที่เราจำเพี้ยนให้สะดวกกับลิ้นไทยภาษาบาลีว่าอารมขยาปรมาลาภาลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ในพระสูตรหนึ่งชื่อมาคันทิยสูตรก็อยู่ในมันชฌิมานิกายพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งสนทนากรรมมาคันทิจพราหมณ์ก็พูดกันถึงเรื่องนี้เรื่องของความสุขเนี่ยอันนี้ก็ได้ยกข้อความที่เป็นคาถานี้ขึ้นมาว่าอารมคยปรามาลาพานิพานังปรมังสุขขัญ ที่พูดถึงว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยยังไงคาม้ก็เอามือรูปตัวบอกอย่างนี้สิเนี่ยไม่มีโรคเนี่ยร่างกายแข็งแรงเนี่ยเรียว่าเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไอความหมายที่แทม้มันไม่ใช่แค่นี้หรอกความหมายที่แทม้หมายถึงไม่มีโรคแม้แต่ทางด้านจิตใจเนี่ยมนุษย์ปุตุชนนี่ในสายตาของพระ อริยะพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโรคตลอดเวลาในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าสัตว์ว่าคนทั่วไปเนี่ยที่จะมาอวดมาพูดปฏิญาณได้ว่าฉันไม่มีโรคกายเลยเนี่ยตลอดวันหนึ่งบ้างเดือนหนึ่งบ้างปีหนึ่งบ้างหรือแม้แต่หลายๆปีเนี่ยยังมีคนยืนยันได้ แต่คนที่จะยืนยันว่าไม่มีโรคของจิตใจเลยเนี่ยไม่มีนะแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆผู้ที่จะกล่าวยืนยันตัวเองได้อย่างนี้ก็คือพระอรหันต์นั้น น, ะนั้นโรคของชีวิตมันก็มีทั้งสองอย่างทั้งด้านกายและด้านจิตใจจิตใจที่มีอะไรรบกวน ทีก็เศร้าหมองคุณนัวบางทีก็เดือดร้อนบางทีก็ขับแท้นวุ่นวายอะไรต่างๆไม่มีความสงบไม่มีความปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยก็ถือว่ามีโรคอยู่ในจิตใจนียไม่ใช่หมายความว่าโรคจิตในภาษาสมัยใหม่ฮในภาษาไทยนี่เวลาพูดจิตกระใจนี่ความจริงที่จริงมันคําเดียวกันนะจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยน ะ, นะจิตมันก็จิตตะบาลี ใจก็พสะทศไทยแต่เวลาในการใช้ทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันเสียจิตกับเสียใจไม่เหมือนกันใช่ไหโรคจิตกับโรคใจก็ใช้ในความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เชิงภาษาแต่ว่าเอาสาระสาคัญก็คือว่าที่แท้แล้วเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยมีโรคทางจิตใจอยู่ ตลอดเวลามีสิ่งที่จะมารบกวนทำจิตใจให้คุณโมลเศร้าหมองเป็นต้นซึ่งใช้คำง่ายๆเรียกว่ากิเลสเพราะคำว่ากนะิเลสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองจิตใจไม่ปลอดโปร่งไม่โลง่งไม่เบาเพราะ น, นั้นในที่สุดก็ใช้คำว่าไร้ทุกในกรณีนี้คำว่าทุกหรือคำว่าโรคเนะี่ยใช้แทนกันได้นะจิตใจที่ไร้ทุ ก, ก็คือไร้โรค ไม่มีอะไรมารบ ก, กวนเลยโปรง่โรงโล่งเบาสะอาดสวา่างสดใสเบิกบานอยู่ได้ตลอดเวลานี้ถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็ต้องไม่มีตัวกวนเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงว่าต้องกำจัดกิเลสได้หมดก็มีแต่พระอระหรันต์นีคนธรรมดาในเมื่อยังทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในขั้นของการฝึก การฝึกก็มีสองอย่างคือการปรูมิแต่งให้ดีอย่างหนึ่งและออย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวตัดจริงๆอย่างของพระอรหันต์ดำเนินตามปฏิปทาของท่านแต่ว่าอย่างเช่นสมถะบอกสมาธินี่ก็คือวิธีการปรูมิแต่งจิตสมถะนี้ถือว่าอนี้คืเป็นขั้นภูมิแต่งทั้งสิ้นนะวิปัสสนาจะเป็นขั้นที่เหนือภูมิแต่งวิปัสสนา น, นพยายามที่ ทำลายการปรุงแต่งเลยไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่สมถานี่ก็คือการปรุงแต่งจิตให้จิตนั้นมันเป็นจิตที่ดีแล้วให้กำลังของฝ่ายดีฝ่ายความสุขความสงบเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากจงกระทั่งว่าฝ่ายที่ไม่ดี ฝ่ายทุกฝ่ายคุณมัวฝ่ายเล่าร้อเนี่ยไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาได้นี่การปฏิบัติเรื่องของภาวนาอะไรทั้งหมดจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามถ้ามองในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องการที่จะเข้าถึงความสุขนั่นเองแต่ว่าท่านไม่นิยมใช้คำว่าสุข เพราะว่าสุขเนี่ยเป็นคําที่มันยังมีปัญหามันจะเรียกใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็เป็นสัมผัสมากสัมผัสยังไงล่ะก็คือว่าสุขในความหมายหนึ่งแต่เป็นทุกข์ในความหมายหนึ่งได้เนี่ยมองในแง่หนึ่งหรือมองในแง่ของคนที่สุขสูงขึ้นไปก็มองคนที่สุขน้อยนี่อย่างทุกข์ mm hmm. หรือว่าตัวความสุขที่สวยเองอย่างเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ในตัว อย่างน้อยก็มันเป็นธรรมชาติที่ตกอยู่ใต้กฎพระใจลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมายความมันเปลี่ยนแปลงได้สุขที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนี่เกิดจากเหตุปัจจัยมันก็แปรปลีนไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมืนอนย่งเรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ทางจิตใจเช่นสมาธิก็เกิดจากปัจจัยคือสมาธิ พอให้ปัจจัยตัวนี้มันหายไปสอกสุกนั้นก็หายไปด้วยทีนี้ถ้าคนตั้งจิตไม่ถูกต้องพอความสุขนี้ก็จะเกิดความรู้สึกเช่นเสียดายพอความสุขนี้ที่เราได้เมื่อกี้นี้มันหายไปเสียแล้วเนาะหรือยอย่างบางคนเนี่ยเคยปฏิบัติได้สมาธิถึงระดับหนึ่งมีความสุขต่อไปโอ้ทำไงเราจะเข้าได้อีกไม่แหมเข้าไม่ได้เลยก็เสียดาย อะไรทำอ่างนี้ก็มันก็ยังเป็นไปกับความยุติยังเป็นไปกับความขาดความหายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยเป็นเรื่องที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ทีนี้สุขในคันติแท้ก็คือภาวะไร้ทุกข์อย่างที่ว่าคือไม่มีทุกข์เหลืออยู่เพราะนั้นในคันสบู น, นจึงใช้คำเชิงปฏิเสธเพราะว่า ที่พูดกันว่าสุขสขเนี่ยไม่เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีทุกข์อยู่โดยมากสุขของคนทั่วไปเนี่ยจะมีทุกข์ปนอยู่นะลึกๆลงไปหรือยังมีเชื้อมีอะไรแต่อะไรที่จะกลับมาเป็นทุกข์ได้นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมายความว่าตัดเชื้อของทุกข์ออกไปหมดเป็นผู้ประสบความไร้ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์อีกต่ อ, อไปเหมือนคนที่ว่าเมื่อกี้เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีโรค น่เป็นพื้นฐานที่มีความสมบูรณ์ในตัวมมจิตไรโรคไรกิเลสไม่มีตัวโกนไม่มีทุกข์แล้วนี้ท่านจ ะ, สะเสวยสุขอย่างไรเพิ่มจากนั้นก็เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์และถ้าจ ะ, สะเสวยสุขอย่างไหนก็สเสวยได้โดยสมบูรณ์อย่างมนุษย์บุุชนนี่สเสวยสุขแม้แต่กรรมสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่า มันมีตัวกกนอยู่ข้างในลึกๆ ล, ลงไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ความสุขนั้นไม่เต็มที่นี่ถ้าหากว่าจิตได้พัฒนาสูงขึ้นไปในการเสวยสุขแม้แต่ระดับต่ำๆก็จะสมบูรณ์ดุนคืนด้วยแต่ก็อยู่ที่ตัวเองเมื่อเข้าถึงสุขที่ประณีขึ้นหรือแม้แต่ภาวะไร้ทุกข์แล้วจะต้องการเสวยสุขอย่างใดหรือไม่ แต่พระอรหันต์ทั้งทัง ท, ง ท, ง ท, งที่มีจิตเสวยอย่างกามาสุขท่านไม่เสวยเพราะว่าจิตมันพัฒนาเลยขั้นไปเองไม่ใช่หมายความว่าจะท่านจะไม่สามารถเสวยความสุขอย่างนั้นอะไรแต่ไรซึ่งมนุษย์บุตุชนบางทีก็เลยไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เสวยความสุขอย่างที่ตัวเคยชอบ เพราะฉะนั้นก็ตั้งพูดว่าโอ้ไม่มีปัญหาเหรานะพอเป็นพระอราหันต์มีจิตสวยสุขทุกอย่างและสวยสุขอย่างไหนก็สมบูรณ์ทุกอย่างด้วยเนะก็เพราะว่ามันไม่มีตัวกวนแต่มันมีข้อพิเศษขึ้นมาว่าจิตมันพัฒนาพน้นมันก็เลยไม่ยินดีในสุขนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรับอกว่าถ้าเราไม่บรรลุสุขที่ประนีตกว่า เราก็ยืนยันตัวเองไม่ได้ว่าเราจะไม่เวียนกลับมาหาการมาสุขใน พ, พระองค์แต่พระองค์เข้าถึงความสุขที่ประนีตกว่าแล้วมันเลยไม่มีความรู้สึกพอใจที่จะเสวยสุขอย่างที่ปุถุชนชอบหรือชื่นชมกันอยู่ว่างนะะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับความสุขในแง่มุมต่างๆนี้ถ้าพูดในแง่ความสุขแล้วก็แสดงก็จะเห็นว่าพภูษณนหนานี้พูดเรื่องความสุขเยอะเหลือเกินอย่างในกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดมาแล้วว่าระหว่างปฏิบัติธรำรไปเนี่ยจิตมันก็จะห่างไกลาจากทุกข์มากขึ้นมีสุขมากขึ้นอย่างลักษณะจิต ท, ทั่วไปที่ก้าวหน้าในธรรมก็จะมีอย่างที่ว่าปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบานใจมีปีติอิ่มใจประสถทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิแล้วต่อจากนั้นจิตเนี่ยจะไปจิตที่เหมาะที่ควรกับการใช้งานอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะงานทางปัญญา เมื่อพูดถึงขั้นนี้แล้วก็เลยอยากจะให้ไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของพุทธศาสนาทั่วไปอย่างคนต่างประเทศอย่างชาวตะวันตกเนี่ยเวลามาเรียนมาอา่านเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็มาเจอคำสอนอริยสัจสิใช่ไหมข้อแรกก็เจอข้อทุกข์ปั๊บเลย ก็คล้ายๆว่าพุทธศาสนาที่เริ่มเด้ทุกข์เขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้พุทธศาสนานี่นะบางคนก็เอาหนักเลยบอกว่ามองมองโลกในแง่ร้ายนะเป็นเพลซิมิสนะคือเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นชีวิตเป็นทุกข์ลองไปเปิดดูหนังสือของฝรั่งเอินไซโคลพีเดียจะมีเยอะแยะแบบนี้ก็บอกว่าพุทธศา ส, าสนาสอนว่า ชีวิตเป็นทุกข์จะเริ่มอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สามารถจะให้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนที่เหนือจากนี้ขึ้นไปแต่ทีนี้ฝรั่งบางพวกที่ไม่เคยอ่านพุทธศาสนาแต่มาเมืองไทยไมาเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนจะมีความรู้สึก เขาเรียกอิมเพรสชันคือความประทับใจตรงข้างคื อ, อจะมองว่าพวกชาวพุทธเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมานะอย่างที่ต่อที่ผมอยู่วัดพระพิเรนก็เคยมีฝลั่งไปหาที่วัดโดยที่ไม่รู้จักเขาว่าท่องเที่ยวอ้าททำไมมาเขาบอกว่าเขาเห็นคนไทยรู้สึกว่าเอมีความสุขจังเขาก็เลยอยากจะรู้ว่า คนไทยเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นชาวพุทธแท้ทนั้นเนี่ยนับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนอย่างไรจึงเป็นคนที่มีความสุขมากนะบางคนก็ยกไปไกลถึงขนาดนี้เ็าบอกว่าเขาไปตามบ้านนอกแม้แต่งานศพคนไทยก็สนุกจังเลยว่างั้นนะ ใช่ไหมนะบอกบ้านเมืองเขานี่โอโหงานจบนี่ไม่ไหวเลยใจมันเครียดไม่ดีเลยเขามาไอ้ชักชอบใจมัน่นอันนี้ก็เป็นข้อที่หลังเขาสังเกตแต่ว่าบางคนก็พูดในแง่ว่าเช่นเขาอยู่บนโฮเตลเนี่ยเขามองทางหน้าต่างเขาเห็นตอนเช้าผู้คนเนี่ย บางคนก็ออกมาตักบาตหน้าตาก็ยิ้มแย้มเออบิ่ ม, ม, มเขารู้สึกว่ามีความสุขน <Yeah. S 1> เขาก็เลยเกิดความประทับใจที่ ว, ว่าคนไทยมีความสุขพุทธศาสนาสอนอะไรที่ทําให้คนใจไทยมีความสุขอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆว่าสยามเมืองยิ้มแลนดเดลแลนด์ออสตมายอะไรเงี้ยนะฮะในความมีน้ําใจก็แสดงถึงจิตใจที่มีความสุขอยู่ด้วย ความยิ้มแย้มมันก็นจะอย่ไปหาความสุขไ ด, ดนนะ้อันนี้ก็ให้เห็นว่าความวิสุทธนับใจนีไม่เหมือนกัน ค, คือไปอ่านคำสอนไปเริ่มต้นว่าพุทธศาสนาสอนชีวิตเป็นทุกข์แต่พอมาเจอความเป็นอยู่ว่าคนไทยนี่ชาวพุทธเป็นสุข อันนี้จะอธิบายอย่างไรนะก็หันไปพูดถึงตัวหลักคำสอนว่าที่สอนที่พูดกันอย่างเรื่องอารยสัตว์ที่เริ่มไปทุกข์เนี่ยการพูดแค่นั้นไม่พอและอย่างที่ว่าอาจจะทำให้เกิดความประทับใจหรืออิมเพรสชันผิดๆเราพุทธสอนศาสนานี่เป็นศาสนาที่เน้นย้าเรื่องทุกข์เนีงเมื่อเย็นย้าเรื่องทุกข์เราก็เลย ก็าพาให้จิตใจก็เป็นทุกข์เป็นด้วยการที่จะเข้าใจคำสอนพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าใจมองให้ครบหลักเรื่องอริยสัจจริงอยู่เริ่มต้นในทุกข์แต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่ตัวอริยสัจ สิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ด้วยก็คือหลักที่เรียกว่ากิจในอริยสัจหรือกิจต่ออริยสัจถ้าเราไม่รู้หลักกิจต่ออริยสัจเราจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องอริยสัจและบางทีก็อาจจะนําอริยสัจไปปฏิบัติผิดๆก็ได้คืออริยสัจแต่ละข้อเนี่ยท่านก็วาง หน้าที่ของคนต่อมันต่อเนียสันนั้นแต่ละข้อไว้สอนทุก์นี่แล้วเรามีหน้าที่ต่อทุกอย่างไรนแล้วก็ต่อจากทุกก็สมุทัยเหตุให้เกิดทุกแล้วเรามีหน้าที่ต่อสมุทัยอย่างไรและนิโรธความดับทุกขแล้วเรามีหน้าที่ต่อนิโรธอย่างไรแล้วก็มรรคข้อปฏิบัติในหนทางให้ถึงความดับทุก แล้วก็หน้าที่ต่อมาคี้เราจะต้องทำอย่างไรอันนี้จะต้องชัดถ้าชัดแล้วก็เราก็จะมองเห็นทั้งท่าทีของพุทธจ้าศาสนาต่อเรื่องทุกข์แล้วทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยวก็มาดูหน้าที่ต่อเรื้สัตว์แต่ละข้อทุก เคยทราบไหมครัว่าหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรใครทราบต้องหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรนะฮะกำหนด ร, นดรู้เป็นภาษาบาลีนึกออกนหฮะปริญญาปริญญ า, นะญญาทีนี้ไอ้ตัวทุกข์นั้นก็เป็นปริญญยธรรมแต่ว่าสิ่งที่ควรกําหนดรู้ ค, คือรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่เป็นรู้จักมันรู้ทันมันทุกนั้นต้องรู้หน้าที่ของเราต่อทุกคือรู้รู้ทันมันกําหนดให้ได้ว่าทุกที่เป็นเน่งมันคืออะไรมันเป็นยังไงนปัญหาอยู่ที่ไหนนปมมันคืออะไรและก็สองเหตุของทุกเรือสมุทัยนั้นหน้าที่ของเราคือ ปหันะแปลว่าการละการแก้กันกําจัดแก้ไขเวลาแก้จะไปแก้ที่ทุกให้ไปแก้ที่เหตุของทุกกําจัดเหตุของทุกขเพราะฉะนั้นเริ่มได้ทุกเป็นปมปัญหาขึ้นมาแต่เราไม่มีหน้าที่ไปละทุกเราก็ต้องสืบหาเหตุของมันแล้วหน้าที่ต่อ ต้นเหตุนั่นคือละกํจาจัดแก้ไขแล้วก็ข้อที่สามคือนิโรธความดับทุกภาวะไร้ทุกหรือแม้จะเรียกว่าสุขเป็นจุดหมายหน้าที่ของเราท่านเรียกว่าสัิกิริยาสัิกิริยาก็แปลว่าการทําให้แจ้งหรือการทําให้ประจักษ์การทําให้เป็นจริงเนี่ยทำให้ประจักษ์กับตนเองหรือบรรลุ แล้วข้อที่สี่มักข้อปฏิบัติเรามีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ท่านเรียกว่าภาวนาคือลงมือทำเนี่ยทำให้เกิดให้เป็นให้มนีขึ้นมานิสสามข้อแรกทุกต้องรู้จักรู้ทันสมุทยัยต้องแก้ไขกาจัดละ นิโรธต้องประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงบรรลุเข้าถึงทั้งหมดเนี่ยเวลาลงมือทำมาลำทำที่เดียวมาทำที่ข้อสี่เมื่อทำที่ข้อสี่แล้วมันจะกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็จะกำจัดสมุทยัยแล้วก็เข้าถึงประจักษ์แจ้งนิโรธหรือนิพพานแล้วก็แปลว่า ทาเลว่าถึงที่สุดแห่งทุกคือจบสิ้นกันไปนะเสร็จปัญหาปัญหาก็หมดอันนี้ก็ข้อที่สังเกตในที่นี้ก็คือต้องการพูดเรื่องทุกข์ก็หมายความว่าชาวพุทธเนี่ยมีหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้จักรู้ทันมันถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้ทันมันเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ แต่ว่าเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์น ะ, นะทุกข์เนี่ยเรามีหน้าที่รู้แต่เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เพราะนั้นชาวพุทธปฏิบัติถูกจะไม่เป็นทุกข์แต่ชาวพุทธทันทีที่ปฏิบัติจะไปเข้าข้อสี่พอปฏิบัติปั๊บก็ยิ่งห่างทุกข์ก็ไปทุกข์สี่เพราะฉะนั้นชาวพุทธนี่รู้ทุกข์แต่อยู่เป็นสุข หมาวามว่าทุกนั้นสําหรับรู้สุขสําหรับเป็นจริงสําหรับชีวิตเราเป็นนะต้องรู้อันนี้และจะตอบกําลังได้เะฉะนั้นพระเจ้ารัถามไม่สอนให้คนเป็นทุกข์เนี่ยแต่ท่านบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เท่าทันทุกข์ละคุณก็ไม่มีทางไปสุขจริงด้วยนะต้องรู้จักมันรู้เท่าทรนมันพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าไม่ไปรู้เรื่องหลักกิจในอิสัต์เนี่ยก็ก็ทําให้สับสนได้ ก็สรุปตอนนี้ก็คือว่าชาวพุทธนั้ น, นถือหลักว่าทุกเป็นสิ่งสำหรับรู้แต่ว่าสุขเป็นสิ่งสาหรับเต่งใช่ไหมหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเราจะห่างทุกข์แล้วเป็นสุขมากยิ่งขึ้นจนกระทั่ ง, ทงว่าพนจากภาวะสัมผัสที่ว่าสุขมันเป็นสัมผัสอยู่เรื่อยมันก็คือยังทุกข์อยู่นั่น ก็จนกระทั่งถึงภาวะไร้ทุกข์สิ่งที่เรียกก็เป็นสุขที่แท้จริงสมบูรณ์อันนี้รู้ทุกข์รู้ได้อะไรก็รู้ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็พูดสมัยว่าทุกข์เป็นสิ่งสาหรับปัญญารู้น์สุขก็เป็นสิ่งสาหรับชีวิตของเราจะได้เป็นเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีชีวิตอย่างเป็นสุขสำหรับชาวพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่สุขโง่โมีชีวิตเป็นสุขแบบโง่โง ต้องสุขด้วยความรู้เดนะ่นะรู้เท่าทันทุกข์ถ้าเรารู้เท่าทันทุกข์แล้วเราจรึงจะสุขจริงได้แล้วเราก็แก้ทุกข์ได้ด้วยก็ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี้ก็พูดมานี่ก็ให้เห็นแง่มุมต่างที่จริงมันยังมีแง่มุมอีกเยอะเพราะยังสุขนี้ก็มีสุขแบ่งเป็นหลายขั้นแล้วก็ทุกข์สุขเองเนี่ย ที่เราไปเริ่มที่คำว่าทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทุกข์ในธรรมะหลายหมวดถ้าเอาอย่างง่ายๆนะจะมีทุกข์อยู่สามหมวดธรรมใหญ่ๆที่สาคัญทุกข์อันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ความไม่สบายในที่นี้รวมทั้งจิตใจด้วยทางกายทางใจเนี่ยเรามีความทุกข เรามีความเครียดเรามีความกังวลเรามีความเสียใจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเจ็บปวดอะไรพวกนี้นี่ทุกอย่างนี้ทุกเนี่ยคนไทยพูดในความหมายนี้มากนี่ทุกขเวทนาทีนี้จะมีทุกขอีกอย่างหนึ่งคือทุกในอริยสัจอริยสัจก็ทุก ที่ท่านสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาขันห้าเป็นที่ตั้งให้อุปาทานเป็นทุกข์แล้วก็มีทุกข์ในไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงทุกขังเป็นทุกข์ททั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน ไอ้ทุกข์สามอย่างเนี่ยนะที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นก็จะเกิดความสับสนไอ้คำว่าทุกข์ที่กว้างที่สุดก็คือคำว่าทุกข์ในใจละที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือเป็นลักษณะตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ความรู้สึกนะ นะเป็นลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะภาวะอันนี้ มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ว่าชีวิตของเราแม้แต่วัตถุภายนอกก้อนดินก้อนหินอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะไอ้ทุกข์ตัวเนี้ยเป็นความหมายที่กว้างที่สุดก็คือภาวะที่มันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้คือว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะของสังขาร หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันมีการเกิดดับเนะีมันก็คงทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยคือไม่มีความเป็นตัวตนที่คงที่ถาวรมีแต่ตนสมมติคือที่ปรากฏ ร, รูปขึ้นมา จากผลรวมของเหตุปัจจัยในขณะนั้นนะที่เราเรียกตนก็คือผลรวมของหรือภาพรวมของสิ่งนั้นที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดในขณะนั้นปรากฏรูปขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวตนที่เกิแต่ว่าตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรจริงจังนีง่ไม่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นะถ่านิึงเรียกว่านักตาก็คือว่ามันมีแต่ภาพ ผลรวมที่ปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยเท่านั้นและเหตุปัจจัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ผลรวมภาพรวมนั้นก็เปลี่ยนไปเด้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่นก็มีความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั่วไปอันนี้คำว่าทุกข์ในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกก็อันนี้เป็นความหมายที่กว้างที่สุด ตีนนี้ตอนนี้จะมาสัมพั์กับมนุษย์แล้วตอนที่พูดถึงไตรักณ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับมนุษย์คือทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ก็อยู่ในนั้นด้วยรวมหมดแต่ตอนที่มาถึงอริยสัจเนี่ยมันจะมาโยงกับมนุษย์ตอนนี้ที่ว่าทุกขังในไตรลักณ์จะมาเป็นทุกขังในตัวคนขึ้นตรงนี้จุดต่อ ก็คือปมที่เรียกว่าทุกข์ในอาเยสัตแต่ว่ามันต้องมีไอ้อันนี้ก่อนเพราะมันเป็นทุกข์ในธรรมชาติใช่ไหมมาถึงแล้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนได้ถ้ามันไม่มีเป็นทุกข์ในธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนมันเป็นทุกข์อยู่แล้วทีนี้ถ้าคนไม่รู้ทันมันปฏิบัติต่อมันไม่ถูกครับ เกิดเป็นทุกข์เนตัวคนขึ้นมาทาั้งทีอันนี้นข้อสรุปคือ พ, พระเจจะจัดชาติพิทุกข์ขาเจลาพิทุกข์ขาอะไรก็แล้วแต่นะได้อภิเยหิสามประโยช์โคตุกโขปตวิประโยคโคุกโ อ, อย่าปิดฉากนรกจิตตามเป็ น, น, นปปทุกขนะการ พ, รพรัดพลาจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้านก็สรุปว่ากล่าวโดยย่อขันห้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์เพราะจิตไม่รู้คนไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญารู้ทันปฏิบัติต่อมันด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้อง มีความยึดติดถือมั่นเป็นต้นเริ่มแต่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายอย่างที่ว่าเกิดเวทนาแล้วเป็นสุขก็ยินดีพอเกิดเวทนาเป็นทุกข์ก็ยินร้ายแล้วก็ถูกเวทนาครอบงําอย่าง น, าาานี้ก็เกิดกระบวนการก็มานี่ก็กระบวนการที่เกิดทุกข์นี่ก็คือทุกข์เนี่ยที่มาในอริยสัจก็คือการที่ทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ จะกลายขึ้นมาเป็นทุกข์ในคนจากการที่มนุษย์ไม่มีปัญญารู้ทันและปฏิบัติับมันไม่ถูกต้องซึ่งปรากฏมาตอนเชื่อมต่อเมื่อไม่รู้และก็มีความยินยิน้ายก็เกิดความอุปาทานยึดมันถือมันอันนี้ทุกขเวทนาในมนุษย์ก็คือความรู้สึกที่ว่า ซึ่งตามปกติมนุษย์ก็จะมีอยู่แล้วเนี่ยจากการที่ว่าทางร่างกายถูกน้ำถูกอะไรถูกของแข็งแล้วก็มีความรู้สึกทีนี้ว่าตอนที่ว่าพอจิตไม่รู้เท่าทานปฏิบัติจะมันผิดเนี่ยทุกมันจะไม่อยู่แค่นั้นแหละมันก็จะมีเป็นทุก์ทางด้านจิตใจ เกิดจะความยึดติดถือมัน่นะความกุ้มความกังวลความเครียดความอะไรต่างๆขุณมวลเศร้ามองอะไรต่างๆขึ้นมาอีกมากมายเลยนะแล้วปมปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้อันนี้ก็ตอนนี้ก็พูดถึงทุกข์ในสามหมวดที่ว่านะฮะคือทุกข์ในใจรักซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกขเวทนาที่มีในความรู้สึกของคน แล้วก็ทุกอริยสัตว์ทุกที่เป็นตัวเชื่อมที่ว่าจากทุกธรรมชาติมาเป็นทุกขในตัวคนถ้าคนรู้เข้าฐานปฏิบัติถูกต้องทุกที่มีอยู่ในตามธรรมชาติคือเราจะไปแก้ธรรมชาติไม่ได้สังขารทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็อนอนิจจังใช่ไหมมันก็คงทนในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นของมันไป ถ้าเรารู้ฐานก็ทุกข์ที่อยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติของมันไปไม่มาเป็นทุกข์ในตัวคนแต่ถ้าว่าคนไม่รู้เท่าทันได้ทุกข์ในธรรมชาติก็มาเป็นทุกข์ในตัวคนเนี่ยนั่นก็ภาวะจิตถูกต้องก็มีแต่ทุกข์ที่เป็นเรื่องของสภาวะในธรรมชาติตามปกติของมันเนี่ยก็ทุกข์ในตัวคนก็หมดไป แต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นนี้ที่ว่าต้องมีปัญญาก็คือการฝึกนั่นเองการฝึกอย่างที่ว่าในระดับต่างๆรรเรื่องการประพฤติไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อทุกขก์กันในภายนอกอะไรงี้ก็เป็นเรื่องขั้นหนึ่งแล้วก็ในทางจิตใจทําไงจะปรุงแต่งสุขได้มากขึ้นปรุงแต่งจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ ทำสมถะเรื่องของสมถะมีมากมายที่จะใช้แก้ปัญหาสยบทุกข์ไว้สงบสยบสงบสย บ, บ, บ, บระงับพักไว้ไม่ให้ทุกข์มารบ ก, กวนก็บางทีคนก็จะมาติดตรงนี้พอไปมาเป็นสมาธิมันจะทำให้จิตนี่พลาออกมาจากความทุกข์ได้ก็มีความสุขไปตอนนั้น ก็จะเป็นเหตุหนึ่งเนี่ยที่ว่าสุขพางทีก็เกิดโทษเพาสุขจากสมาธิก็เลยเพลินติดนี่ก็ไม่กล้าต่อไปทั้งๆ ท, ท, ที่คนเราสามารถกล้าไปคนนี้ได้อีกก็ไม่ไปที่ท่านจึงบอกว่าแม้แต่สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดสยกใช่ไมที่บอกปกเกียรติต้องเพียรปฏิบัติเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปที่ประ n i d ยิ่งขึ้นเรื่องสุขก็ เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เอามาพูดให้เห็นแง่มุมต่างๆอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าพุทธศาสนานี้มีท่าทีตเรื่องความสุขอย่างไรนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความทุกข์ด้วยนะทุกข์นันก็แปลว่าทนได้ยากก็บีบคั้นนะหรือว่าติดขัดขับหนะ้องโดยเฉาะก็บีดคั้นนั่นแหละนะพออะไรมีทุกข์ก็บีดคั้น ไม่บีบคั้นใจกายก็บีบคั้นจิตใจเนี่ยจิตที่ไม่ถูกบีบคั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์เนี่ยเป็นจิตที่โลง่งที่โปร่งที่เบาสว่างห่องใสแล้วก็เบิกบานก็ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็จะเรียนรู้วิธีที่จะได้บรรลุถึงสุข สูงขึ้นไปตามลำดับถ้าก็เลยแบ่งสุขอย่างที่พูดเมื่อกี้นะี่เป็นตัวอย่างเหียว่าสุขที่อิงอาศัยอามิชขึ้นต่อรูปรสกินเสียงภายนอกเป็นต้นเรียกว่าสามิสุขแล้วก็สุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อการมาสุขก็ไม่ต้องขึ้นต่อกามคุณรูปรสกินเสียงโผฏฐาพไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกก็เรียกว่านิรามิสุ เรื่องสุขระดับต่างๆบางทีแบ่งตั้งสิบคันก็มีแง่มุมออกไปเยอะแยะแต่ว่าบางทีเรื่องสุขเนี่ยในวงการเขาพูดสอนเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดถึงชอบพูดเรื่องทุกข์แต่ที่จริงต้องเข้าใจอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าเราคงปฏิบัติผิด ต, ต้องคิดไว้ก่อนเลยเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นทุกข์แน่นอนนีแต่ว่าท่านบอกทุกข์เป็นสิ่งสําหรับปัญญารู้นะฮสุขสําหรับชีวิตของเราเป็นเพราะฉะนั้นเรารู้ทุกข์แต่ว่าเราเป็นสุขรู้เท่าทันทุก ข, กข์แต่อยู่เป็นสุขและอยู่อย่างไรทุกข์ในที่สุด เอาละครับก็คง่าพูดกันวันนี้เท่านี้ก่อนมีอะไรสงสัยหรือเปล่ามีไหมะไม่มีอะไรสงสัยเลย